13การบอกเคิืนศิรษาด้วยการใช้คำอ้างที่อยู่อาศัย16บท49วงเล็บหนึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุกระสันไม่ยินดีปรารถนาจะศึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจเพศภิกษุปรารถนาจะเป็นครืหัดปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยะบุตรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีมารดาท่านจะเลี้ยงดูข้าพเจ้าวงเลบสอง ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีบิดาท่านจกเลี้ยงดูข้าพเจ้าวงเล็บสาภิกษุบอกให้ผู้อืนรู้ว่าข้าพเจ้ามีพี่ชายน้องชายเขาจะเลี้ยงดูข้าพเจ้าวงเล็บสี่ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีพี่สาวน้องสาวเธอจกเลี้ยงดูข้าพเจ้าวงเล็บห้าภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีบุตรเขาจะเลี้ยงดูข้าพเจ้า วงเล็บหกภิกษุบอกให้ผู้อื er. ่นรู้ว่า <similar> ข้าพเจ้ามีธิดาเธอจักเลี้ยงดูข้าพเจ้าวงเล็บเจภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีภรรยาเธอจักเลี้ยงดูข้าพเจ้าวงเล็บแปภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีหมู่ญาติพวกเขาจักเลี้ยงดูข้าพเจ้าวงเล็บเก้าภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีหมู่มิตรพวกเขาจักเลี้ยงดูข้าพเจ้าวงเล็บสิบ ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีบ้านข้าพเจ้าจกเลี้ยงชีพด้วยบ้านนั้นวงเล็บสบอภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีนิคมข้าพเจ้าจกเลี้ยงชีพด้วยนิคมนั้นวงเล็บสิบสองภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีนาข้าพเจ้าจกเลี้ยงชีพด้วยนานั้นวงเล็บสิบสาภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีสวนข้าพเจ้าจกเลี้ยงชีพด้วยสวนนั้น วงเล็บ14ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีเงินข้าพเจ้าจะเลี้ยงชีพด้วยเงินนั้นวงเล็บสิบห้าพิกษูบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีทองข้าพเจ้าจะเลี้ยงชีพด้วยทองนั้นวงเล็บ16ภิกษุบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าข้าพเจ้ามีศิลปะข้าพเจ้าจะเลี้ยงชีพด้วยศิลปะนั้นภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้แต่ไม่เป็นการบอกคืนสิกธิขา